ตลอดพรท่านผู้มีจิตศรัทธาในความเรื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญ มาลำบากเพราะมีศรัทธามีความเชื่อในกฎแห่งกรรมที่สอนไว้ว่าทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําบุญได้ไปสวรรค์ทาบาปได้ไปอบายอันนี้เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้สมกัสรู้เป็นความจริงที่ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สามารถไปลบล้างได้ไปปฏิเสธได้ผู้ที่เชื่อหรือไม่เชื่อถ้าทำบุญแล้วก็ต้องได้รับผลบุญอย่างแน่นอนถ้าทำบาป ก, ก็ต้องได้รับผลบาปอย่างแน่นอนแต่ผลบุญผลบาปนี้มันมีอยู่สามช่องด้วยกันเราอาจจะไปมองช่องผิดเข้า โดยอาจจะไม่เข้าใจคือช่องแรกนี้ผลของบุญของบาปที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราหรือร่างกายเราเช่นการเจริญในลาบยศสารเสร่ญสุขหรือการเสื่อมในลาบยศสารเสร่ญสุขอันนี้ก็เป็นผลช่องหนึ่ง ที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่จำเป็นจะต้องเกิดเสมอไปคือคนทำบุญทำความดีก็อาจจะไม่ได้รับความเจริญทางลาภยศสรรเสริญสุขก็ได้หรืออดเป็นเพราะว่าเวลายังไม่ถึงก็ได้หรือคนอื่นมองไม่เห็นในการทำความดีของเราก็ได้ หรือคนที่เห็นเขาไม่ชอบที่หน้าเราเขาก็ไม่ส่งเสริมไม่ช่วยเหลือเราก็ได้ดังนั้นเวลาเราทาความดีทาบุญอย่ามองเพียงแต่ช่องนี้ช่องเดียวเพราะช่องนี้มันไม่แน่นอนมันอาจจะเกิดขึ้นในชาตินี้ก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นในชาตินี้ก็ได้มันมีช้ามีเร็ว เช่นะนเดียวกับการทำบาปการทำความไม่ดี mm. ก็อาจจะได้รับความเจริญในราบยตสรรเสริญสุขก็ได้ถ้าไปทำให้คนที่เขาถูกใจ mm. เขาก็อาจจะช่วยเหลือเราส่งเสริมเราแต่ถ้าเราไปทำหรือเราไป mm. ทำบาปไปช่อโกงไปคอร์รัปชัน เราก็จะเริญในร่ำในยศสรรเสริมสูงได้เหมือนกันดังนั้นผลที่เกิดในช่องนี้จึงไม่แน่เสมอไปว่าเป็นผลที่เกิดจากการทำความดีหรือจากการทำความชั่วดังนั้นเราอย่าไปดูที่ตรงนี้เพราะเราดูที่ตรงนี้แล้วเราจะเกิดความท้อแท้ใจจะเชื่อคนที่ก็พูดว่าทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้ถ้าเรามองทางช่องลาบยศสารเสิร์ญสุขนี้มันจะเป็นอย่างนี้ทำาชั่วแล้วกลับร่ำรวยเป็นใหญ่เป็นโตมีคนยกย่องนับหน้าถือตามีความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายาะมีเงินจะซื้ออะไรต่างๆมาบำรุงบำเรอทางตาหูจมูกลิ่นกายได้ แต่อันนี้มันเป็นความสุดปลองเป็นความสุดเดียวเดียวเวลาเงินหมดเวลาตกต่ำก็จะทุกข์จะเดือดร้อนนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำดีหรือทำชั่วซึ่งอาจจะเกิดก็ได้ไม่อาจจะเกิดก็ได้ทำชั่วแล้วยังไม่ไปติดคุกติดตารางก็ได้แต่อย่าไปคิดว่าไม่มีผล พรามันยังมีผลที่เกิดขึ้นอีกสองช่องผลที่เกิดอีกสองช่องนี้เป็นผลที่ตายตัวทำบุญแล้วมีความสุขใจอันนี้ตายตัวทำบาปแล้วเกิดความทุกข์ใจอันนี้ตายตัว้ว่เชื่อลองทำดูวันนี้ญาติโยมมาทำบุญแล้วรู้สึกอย่างไรสุขใจสบายใจหรือไม่ลองไปทำบาปดู ลองไปแอบมีหนูดูไปแอบมีแฟนแล้วเดี๋ยวเวลาเจอหน้าแฟนจะรู้สึกอย่างไรความไม่สบายใจมันจะเกิดขึ้นเวลาที่เราทำบาปนี่คือผลที่พระพุทธเจ้าท่งให้เรามองกันเพราะความสุขใจความทุกข์ใจนี้มันร้ายกาจกว่าความสุขทางลาบยศรรเสริญหรือความทุกข์ทางลาบยศรรเสริญ ผลนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นแน่นอนและเกิดขึ้นทันทีทันใดด้วยถ้าเรารู้จักมองรู้จักว่าใจของเราก็ตอนนี้กําลังมีความรู้สึกอย่างไรตอนนี้ใจเราทุกข์ไหมเดือดร้อนวุ่นวายใจไหมไม่เพราะอะไรก็เพราะเราทำบุญทำความดีเราไม่ได้ทำบาสนั่นเองนี่คือตัววัดผลของการทำบุญและทำบาตที่แท้จริง ต้องดูที่ใจแล้วก็หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็มีผลช่องที่สามตามมาอีกด้วยก็คือใจที่ทำบาป ก, ก็ต้องไปรับของนอบายต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นเปรเกิดเป็นผีเกิดเป็นสัตว์นรกนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาศ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามพอตายไปแล้วจะไปขอร้องเข้าบอกว่าผมไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ก็ต้องไปถ้าทาบาปด้วยความไม่รู้ว่าบาปก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทาบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรอถ้าทาบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นผีถ้าทาบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นก็ไปตกนรก นี่แหละคือที่ไปอบายทั้งสีประการเกิดจากการทำบาปด้วยอคติสี่คือรักชังกลัวหลงรักก็คือโรคชังก็คือก็คือความโกรธเกืเียดอาคตาพยาบาทกลัวก็คือความกลัวหลงก็คือความไม่รู้กฎแห่งกรรมไม่รู้ว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาป ไม่รู้ว่าทําบุญแล้วไปสวรรค์ทําบาปแล้วไปอบายอย่างพวกสัตว์เดรัจฉานี้เขาต้องทําบาปเพื่อเอาตัวรอดเอาชีวิตเขารอดเขาไม่รู้ว่ามันเป็นบาปถ้าเขารู้บางตัวอาจจะไม่กล้าทําบาปก็ได้ยอมตายดีกว่าเพราะว่าถ้ายังทําบาปอยู่เรื่อยๆก็จะไม่สามารถหลุดออกจากการมาเกิดเป็นเดรัจฉานได้ นอกจากมาเป็นเดรัจฉานที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์อื่นเช่นสัตว์ที่กินหญ้าพวกวัวพวกควายอะไรอย่างนี้ต่อไปหมดกรรมเขาก็จะหมดแล้วเขาก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หมาถ้าไปเกิดเป็นสิงห์เป็นสัตว์ที่กินสัตว์อื่นมันก็ยังจะต้องใช้กรรมไปเรื่อยๆนี่คือเรื่องของบุญของบาป ท, ที่จะตามมามีแบ่งไว้สามช่องทางด้วยกัน ช่องทางแรกในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้ไม่แน่นอนลาบยศเสริญสุขนี้จะเจริญด้วยการทำบุญก็มีจเจริญด้วยการทำบาปก็มีดังนั้นเวลาเราไม่ได้เจริญในทางทางลาบยศเสริญสุขก็อย่าท้อแท้ขอให้เราดูทางจิตใจทางความรู้สึกภายในใจของเรา และคิดถึงภพชาติในอนาคตที่จะตามมาต่อไปถ้าเราทำบุญละบาปได้ตายไปจะไม่ไปเกิดในอบายจะไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นต่างๆแล้วถ้าเราทำบุญสูงขึ้นกว่าการทำทานคือบุญที่เกิดจากการภาวนาได้เราก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรเช่นถ้าเราทำใจให้สงบ นั่งสมาธิใจรวมเป็นฌานเป็นสมาธิอย่างนี้ใจของเราก็ขึ้นไปสู่ระดับพรมแล้วถ้าเราจเจริญวิปัสสนามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสีเห็นว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราไม่ใช่เกิดจากการเสื่อมของสิ่งต่างๆเช่นเวลาเราสูญเสีย คนที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักไปเราจะเกิดความทุกข์ใจความทุกข์ใจนี้ไม่ได้เกิดจากการสูญเสียแต่เกิดจากความอยากไม่สูญเสียอยากให้คนที่เรารักอยากให้สิ่งที่เรารักอยู่กับเราหรือกลับมาแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราอยู่ในโลกของอนิจจังไม่แน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสือ่อม ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นคนจะเป็นข้าวของจะเป็นอะไรต่างๆนี้ต้องมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเวลาดับเวลาจากเราไปเราก็ทุกข์ใจที่ทุกข์เพราะว่าเราอยากให้เขาอยู่เราไม่อยากให้เขาไปแต่ถ้าเราจเจริญวิปัสสนาแล้วเราเข้าใจหลักความจริงอันนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมามาแล้วก็ต้องไป เกิดแล้วก็ต้องดับจดเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมห้ามเขาไม่ได้ถ้าอยากให้เขาไม่เสื่อมก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากให้เขาไม่เสื่อมก็จะไม่ทุกข์ผู้ที่เจริญวิปัสสนาก็จะละความอยากเพราะไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์พอละความอยากได้เวลาอะไรจะเสื่อมก็จะไม่ทุกข์เวลาใครจะตายก็จะไม่ทุกข์ นี่คือวิปัสสนาผู้ใดได้เข้าสู่ธรรมขั้นนี้ก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคามีเป็นพระอนาคามีและเป็นพระอาหารหันต์ตามลำดับพอไปถึงขั้นพระอาหารหันต์ก็จะได้พระนิพพานเป็นที่อยู่อาศัยมีบ้านที่ถาวร มีบ้านที่ไม่เสื่อเหมือนกับบ้านที่เราไม่อยู่กันตอนนี้บ้านของเราตอนนี้คืออะไรก็คือร่างกายนี้แหละร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราเรามาอาศัยร่างกายนี้อยู่ได้ชั่วคราวก็ร่างกายนี้ต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราอยู่ที่ใจเราก็เลยไปกับใจ สิ่งที่พาให้ใจไปเกิดใหม่ก็คือความอยากยังอยากมีสามียังอยากมีภรรยายังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยังอยากได้ลาบโนตเสริเสริสุขอยู่ถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจก็จะไปเกิดใหม่จะ ไ, ได้ร่างกายใหม่ร่างกายใหม่จะได้ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทำ ถ้าทำตามความอยากมีความอยากแล้วทำด้วยความอยากทำด้วยบาปก็จะไปอาบาปถ้ามีความอยากทำด้วยบุญก็จะไปสวรรค์แต่ยังต้องไปอยู่เพราะยังมีความอยากอยู่ถ้ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระอริยาาสัจสีเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากความอยาก ถ้าละความอยากได้ถ้าเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะละความอยากได้เมื่อไม่มีความอยากใจก็จะไม่มีผู้ผลักดันให้ไปเกิดเพราะใจได้ไปถึงบ้านที่มีทุกอย่างพร้อมมีความสุขระดับปรมังสุขขังสุขกว่าสิ่งต่างๆที่เราจะได้จากความอยากต่างๆ เราก็เลยไม่ต้องไปเกิดใหม่นี่คือจุดสุดท้ายของชีวิตของจิตใจจุดที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวงทั้งหลายได้เดินไปถึงกันพวกเราก็จะไปถึงจุดนั้นเช่นเดียวกันเพราะเรารู้จักทางเรารู้จักวิธีแล้วอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่อยู่ที่ว่าเราจะเดินไปทางทางนี้หรือไม่ ถ้าเราอยากจะไปถึงตาที่พระพุทธเจ้าได้ไปถึงเราก็ต้องเดินทางของพระพุทธเจ้าทางที่พระเจ้าสอนให้เราเดินกัน mm hmm. ก็คือให้เรามาทำบุญมาละบาปแล้วก็มาชำระใจให้สะอาดชำระความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาเนสมาธิสมถภาวนา ปัญญาก็คือวิปัสสนาภาวนาถ้าปฏิบัติได้แล้วผลต่างๆก็จะได้เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้อยู่ว่าพระพุทธเจ้าจะต้องอยู่สอนเราหรือไม่เพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้แล้วว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายจากพวกเราไปแล้วพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้แลจะเป็นศาสดา แทนพระพุทธเจ้าต่อไปถ้าเรามีพระธรรมคำสอนถ้าเราได้ยินได้ฟังเทศได้ศึกษาได้รู้ว่าพระพุทธเจ้า ส, สอนอะไรสอนให้เราปฏิบัติอะไรแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติได้ก็เหมือนกับมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราในขณะนี้เลยเพราะหน้าที่ของพระพุทธเจ้าก็มีเพียงแต่สอนเราเท่านั้นเองถ้าไม่สามารถเสรเปล่าให้เราไปพระนิพพานได้ ท่านไม่สามารถเสกเป่าให้เราจเจริญในาลาภรสเลิเสริญสุขได้ท่านไม่สามารถห้ามเราไม่ให้ไปเกิดในอบายได้ผู้ที่จะห้ามเราก็คือตัวเราเองถ้าเราห้ามไม่ให้ห้ามตัวเราไปทำบาปเราก็จะไม่ไปอบายถ้าเราผลักดันให้เราทำบุญเราก็จะไปสวง่งถ้าเราผลักดันให้เราภาวนาให้เรานั่งสมาธิ ให้เราจเจริญปัญญาเราก็จะไปพระนิพพานกันพระพุทธเจ้าไม่สามารถทําให้พวกเราได้ท่านจึงสอนพวกเราว่าอัตตาหิอั ต, ตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอยากจะไปสวรรค์ก็ต้องทําบุญเองอยากไม่อยากจะไปอบายก็ต้องรักษาศีลไม่ทําบาปกันถ้าอยากจะไปพระนิพพาน ก็ต้องเจริญวิปัสสนาเจริญสมถภาวนากันนี่เป็นเรื่องที่ใครไม่มีใครทําแทนกันได้พ่อแม่ก็ทําแทนให้ลูกไม่ได้ลูกก็ทําแทนพ่อแม่ไม่ได้ถึงแม่ลูกมาบวชพ่อแม่จะเกาะชายผ้าเหลืองคําว่าเกาะชายผ้าเหลืองนี่ก็หมายถึงว่าทําตามที่ลูกทำลูกมาบวช พ่อแม่ก็ต้องบวชหรือรักษาศีลเหมือนกับลูกถ้ารักษาศีลได้ก็ไม่ไปอาบายถ้าทาบุญตามที่ลูกตามแบบลูกที่ทำบุญตายไปก็ได้ไปสวรรค์นี่คืออุบายของนักปราชญ์ที่ให้ลูกบวชให้พ่อให้แม่เพื่อที่พ่อแม่ที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาจะได้มาวัดกันเพราะเวลาลูกมาบวชก็ห่วงลูก กลัวลูกจะออกอยากขาดแทงกลัวจะลำบากก็เลยต้องมาวัดมาทำบุญมาใส่บาตรมาทำอะไรแต่ถ้าลูกไม่บวชก็จะไม่มานหน้าที่ของลูกก็คือมาบวชเพื่อมาดึงพ่อแม่ให้เข้าวัดพ่อแม่จะได้ทำบุญได้ละบาตรจะได้ตายไปจะได้ไม่ไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเปรยไม่ต้องไปเป็นผีไม่ต้องไปตกนรก ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรลฉ า, านี่เขาเรียกว่าเกาะชายผ้าเหลืองแต่ถ้าลูกบวชแล้วพ่อแม่ก็ไม่สนใจมาบ้างไม่มาบ้า ง, าางทำก็แบบทำพอขอไปทีทำไปอย่างนั้นพอลูกศึกก็เลิกทำถ้าอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ต่อให้ลูกบวชไปไม่ศึกถ้าพ่อแม่ไม่สนใจที่จะมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรม มาปฏิบัติตามที่พรธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอลูกบวชเป็นพระก็ไม่สามารถที่จะใช้ผ้าเหลืองของลูกพาไปสวรรค์ได้เพราะการจะไปสวรรค์นี้ต้องอยู่ที่การทําบุญและละบาสนี่แหละจึงขอให้เราเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อในหลักของอัตตาหิอัตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งของตน อย่าไปคิดว่าตายไปแล้วเดี๋ยวญาติพี่น้องจะทำบุญอุทิศไปให้บุญที่อุทิศไปนี้มันเป็นเซี่ยวเดียวของบุญที่เราจะทำกันเพราะบุญอุทิศไปนี้มันเบ่นส่งของไปทางไปสีจะส่งบ้านไปทั้งหลังไม่ได้มันจะส่งอะไรใหญ่ๆไปไม่ได้ส่งไปได้ทีละเล็กเีือน้อยเหมือนกับเงินที่เราให้ขอทางผู้ที่ตายไปแล้วแล้วมารอรับ ผลบุญนี้ก็คือผู้ที่เป็นขอทานทางจิตวิญญาณขอทานในโลกทิศเพราะในขณะที่เป็นมนุษย์ไม่สนใจที่จะทําบุญเวลาตายไปเลยไม่มีบุญติดตัวไปบุญนี้เป็นทรัพย์ที่จะใช้ในโลกทิศพอไม่มีทรัพย์ก็เลยต้องมีมาเป็นขอทานมาคอยร อ, อ, อรับส่วนบุญบุญที่จะได้รับก็ปริมาณแบบ เงินที่ขอทานจะได้รับพอยาไสไปวันวั น, วนหนึ่งเท่านั้นเองไม่พอที่จะทำให้ไปสวรรค์ได้ดังนั้นอย่าไปหวังพึ่งใครในเรื่องของการทำบุญในเรื่องของการละาบาปในเรื่องของการชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ต้องพึ่งตนเองพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อจะสอนเราบอกเรา แต่อย่าพึ่งพระพุทธพระรรมพระสงฆ์เพื่อจะทาให้เราเช่นจุดธูปเทียนสามดอกแล้วขอไปพระนิพพานเลยขอให้ไปสวรรค์ขอให้ย้ายไปตกนรกขอไปจนวันตายก็ไม่มีวันจะไปได้ถ้าการกระทำของเราไม่เป็นไปตามเหตุที่จะพาให้เราไปสวรรค์ถ้าอยากจะไปสวรรค์ต้องทำบุญละบาถ้าอยากจะไปพระนิพพานก็ต้อง ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าไม่อยากจะไปอาบายก็อย่าทำบาปไม่มีพระพุทธเจ้าไม่สามารถเสกเปล่าให้เราได้พระอาหารหันต์ก็เสกเปล่าให้เราไม่ได้พระพุทธรูปที่เราคล้องค่อยคอยอยู่นี่ก็ทำอะไรให้เราไม่ได้พระพุทธรูปที่เรามีไว้ห้อยคอก็ดีเมื่อมีไว้ที่บ้านที่ดีนี้มีไว้เพื่ออะไรรู้หรือเปล่ามีไว้เพื่อเตือนใจเรา ให้เราระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราละลึกถึงวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าให้เราระลึกถึงการปฏิบัติของพระาอาริยสงสาวงแล้วให้เราทาตามแล้วถ้าเราทาตามแล้วเราจะมีพระคุ้มครองเพราะการกระทาของเรานี่แหละเป็นตัวคุ้มครองเราถ้าเราไม่ไปทำบาปเราจะไปติดคุกติดตารางได้อย่างไร ถ้าเราทำบาปเดี๋ยวก็ต้องไปติดคุกติดตารางถ้าไม่ติดคุกก็ต้องหนีคุกเล่ร่อนไปตามที่ต่างๆกลับมาบ้านไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้พอกลับมาเดี๋ยวก็โดนตำรวจจับเข้าคุกเข้าตารางไปอันนี้แหละเป็นผลที่เกิดจากการทำบาปเห็นกันชัดๆแต่ยังไม่เชื่อกันคิดว่านีบาปพน้นตายไปยังต้องไปใช้กรรมต่ออีกอันนี้มองไม่เห็นกัน ต้องปฏิบัติธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นถึงจะเห็นว่าตายไปแล้วจะไปไหนกันดังนั้นพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดยังมองไม่เห็นเราก็ต้องเชื่อคนที่มองเห็นแล้วคนที่ได้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมได้ตัดสรู้อย่างพระพุทธเจ้าท่านรู้หมดท่านเห็นหมดคนนี้ทำอะไรมาอย่างไรตายแล้วจะไปที่ไหนคนที่คนนี้มาเกิดนชาติก่อนทาอะไรมา ก็รู้หมดเห็นหมดเพราะของพวกนี้มันไม่ได้เป็นของลึกๆเพียงแต่ว่าเราไม่เปิดตาในดูกันเราปิดตาในกันเราเอาความหลงความโลภความโกรธมาปิดตาของเราเราจึงมองไม่เห็นกันถ้าเราเอาความโลภความโกรธความหลงออกไปจากใจแล้วเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้สรงเห็น ดังนั้นตอนนี้เรายังไม่เห็นก็ขอให้เชื่อคนที่เห็นไม่เถิดแล้วทำตามคำสอนของคนที่เห็นก็คือทำบุญร่บาตจําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วรับรองได้ว่าทุกภพทุกชาติที่เกิดมาถ้ายังไม่ไม่ถึงพระนิพพานก็จะได้เกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆจะไม่ไปเกิดในอาบายอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมา ทำบุญละบาปมาชำระใจให้สะอาดบรยสุดด้วยศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา